คุธรรม8ข้อ 1. ภิกษุณีถึงจะบวชได้1 0 0่รพรรษาก็ต้องทำการกราบไหว้ต้อนรับทำอัญชลีกรรมทำสามีจีกรรมแก่ภิกษุผู้บวชแม้ในวันนั้นทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 2. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะ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 ภิกษุณีพึงศักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตถ้าพวกภิกษุณีตอบว่าพวกดิฉันพร้อมเพียงกันแล้วเจ้าค่าภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งแล้วส so ั่งสอนทำอื่นต้องอบัตทุกฎถ้าพวกภิกษุณีตอบว่าพวกดิฉันยังไม่พร้อมเพียงกันเจ้าค่าภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งแล้วสั่งสอนครูธรรม8ข้อต้องอบัตทุกกฎภิกษุไม่ให้อว่าสั่งสอนทำอื่นต้องอบัตทุกฎ